و ا ل ذ ي ن ش ر ك و ا إن الله يفصل بينهم، والذين أشركوا إن الله يفصل بينهم، إن الله يفصل بينهم يوم القيامة، إن الله يفصل بينهم يوم القيامة. <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> إن الله على كل شيء شديد. إن الله على كل شيء شديد. أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ ي َ س ْ ج ُ د ُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرِ و َ ا ل ُ ج ُ و م و ن َ ج ِ ب َ ا ل و َ ا ل س َّ ج ر و َ ا ل د َّ و َ ا ب وَكَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ و َ ا ل َ ج َ ر و َ ا ل د َ و َ ا ب ُ وَكَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ ل ي ه العذاب وما يهين الله فما له وما ي ه ن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء هذان خصمان اختصموا في ربهم. فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من النار. فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من النار. ي ص ب ُّ مِنْ فَاقِهِ مِنْ ح م ِ ي ن ي ص َ ر ُ م ِ ن ا ِ ه م ِ ن ِ ي ن َ ب ّ ن َْ ه مِنْ ح َ م ِ ي ُ ص ُ م ن ْ ف َ ا ه م ن ْ ح َ م ِ و َ ل َ ه م م ََ ا م ع ٌ ف َِ ي د ٌ وَلَهُم ما قامع من حديد. كلما أرادوا أ ن يخرج منها. كلما أرادوا أي يخرج منها. من غم من عيد فيها. من عيد فيها. หลอกกูอา ا ل ็ ح เป็นพารีม ل สเบลล่าอูรรห์มาน ا ل รหีมอินัลฮัม ن س ลลอฮ์น ن ลฮัมดุห์วะนัสต ل, ل, ل ه นุห์วะนัสตั ا ฟิรุวะนั ا ตักฟิรุวะนัสตักฟิรุวะ ل ัสตักฟิ ل ุ ل ะนัสตักฟิรุวะนัสตักฟิรุวะนัสตักฟิรุวะน وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم ب ك أسبحنا و, ك و ب ك أمسينا و ب ك نحيا و ب ك نموت وإلاكن نشور أعوذ بكلمات الله تامة من شر ما خلق بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو سميع الس العليم ر ับดีตุบิลลาฮิรับบะวับิลอิสลามดีนะ ل ับิมุฮัมมัดอิลลั م โวล م สัลลัมอาลัยคพี่น้องที่ร่วมนมาสุบะที่รักทั้งหลายครับอัลฮัมดุลิลลาห์ขอบคุณอัลลอฮฺ ن ه และกัสตาห์ที่อัลลอฮฺให้เราตื่นขึ้นมานะครับหลังจากที่อัลลอฮฺให้เราหลับไปเมื่อคืนนี้ด ที่เรานบนที่นอนก็คืออัลฮัมดุลิลลาฮิลลาดิอัลฮยานะบะดามะอามัตนาวะอิลลฮินูชูนะครับต้องขอบคุณอัลลอ์ซึ่งท่านนบีมุฮัมมัดสอนไม่ให้เราลืมนึกถึงบุญคุณของอัลลอฮ์ سبحانه และก็ตาเขอบคุณอัลลอ์ที่เราได้ทบทวนอัลกุรอานนะครับมาถึงอายะที่มาถึงซูราที่ยี่สิบสอง ในคัมภีร์กุณอ่านมีทั้งหมดหนึ่งร้อยสิบสี่สร์นะครับสามสิบยุษหนึ่งร้อยสิบสี่สูร์เรามาถึงสูรรที่ยี่สิบสองนะครับ <c oughs> สูรรที่ยี่สิบเอ็ดอัลอัมบิยายี่สิบสองสรร์อัลหัจนะครับ <c oughs> อายะที่สิบหกนะครับสิบหกนี่เรียนแล้วนะประอ่านบรรยายมาอีกครั้งหนึ่ง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 ว่าแน่นัลลอฮะยะดีม่ยูริดอายะนี่มีความรู้นะครับสองเรื่องนะสามเรื่อง <c oughs> การประทานอัลกุอาร์านเนี่ยมาจากอัลลอฮ์คือ <c oughs> คนกาเฟร์กเนี่ยไม่อยากจะให้ไม่อยากให้ที่ให้อัลลอ์เนี่ยประทานอัลกุอาร์านลงมา อัลลอฮ์ก็ท้าในคัมภีร์คุณอ่านก่อนหน้าอาย่า น, นี้อายาที่16เนี่ยอัลลบบอฮ์ลลบอกว่าคุณขึ้นไปบนทันฟ้านะเอาเชือกเนี่ยต่อขึ้นไปข้างบนแล้วก็ไปตัดตัววฮีของอัลลอฮ์ทำไมลนะ่ะเพราะพวกนี้เข้าใจว่าอัลลอฮ์นี่นะไม่ช่วยอิสลามไม่ช่วยนบีมุฮัมมัด แล้วก็ไม่ช่วยศาสนาของนบีมุฮัมมัดคว่าช่วยนบีเนี่ยในคัมอีรที่ผ่านมาในยัมซูรุูนะครับมังกาในยลุนุอัลลยัมซูรหุลอ์มังกานยัลุนุอลลยัมซูรหูอัลลอฮ์คว่าหูคาเดียวเนี่ยหมายถึงช่วยมุฮัมมัด คำว่าช่วยมุมมัะช่วยสมอย่างนะหนึ่งไตตัสอิฟนกูกาฟีอธิบายว่าช่วยสามอย่างหนึ่งช่วยมุฮัมมัดสองช่วยคุรานสามช่วยศาสนายัมซูรอฮูเนี่ยคำว่าฮูคำเดียวนี่นะอธิบายได้สามหนึ่งช่วยเขาคนกาเฟตเข้าใจว่าอัลลอ์เนี่ยไม่ช่วยศาสนา ที่นบีนำมาไม่ช่วยให้อิสลามเจริญไม่ช่วยให้สุนนนะบีมีคนนำไม่ ป, ปฏิบัติถ้าถ้าคิดว่าอัลลอฮ์ไม่ช่วยน่ะขึ้นไปข้างบนไปตัดวาฮีเพราะคนเหล่านี้เนี่ยเครียดแคลนเห็นอิสลามเนี่ยเจริญใช่ไม่ใช่ทุกวันนี้คนเครียดน่ะเครียดเพราะอิสลามเพราะเจริญอิสลามอยู่อยู่อยู่ตรงไหนการพ น, นันไม่มี ดีนะไม่มีทําให้สังคมเจริญอิสลามจะอยู่ตรงไหนก็ตามครับของคารอมไม่มีหรือบ้านที่เข้าใจศาสนาอิสลามดีนะเขาจะมาไม่อนุญาตให้คนในบ้านของเขาเนี่ยทําบาปนะนะครับแต่อีริมบ้านอีเรื่องหนึง่งแต่ไอีบ้านหลังนี้เนี่ยนะครับหรือมัสยิด ต, ตรงนี้หมู่บ้านตรงนี้ คนที่เข้าใจอิสลามเนี่ยเขาจะมาอาจไม่อนุญาตให้คนนั้นทำบาปนะครับทีนี้คนกาเฟสเนี่ยมองตรงกันข้ามไม่อยากจะให้อิสลามเนี่ยจเจริญก้าวหน้าไม่อยากจะให้ซุน น, นะนบีท่านนามาไปปฏิบัติและไม่อยากให้กุรอานนั้นถูกนําเอาไปใช้มากๆในคนกาเฟสเครียดมากเลยแล้วก็ออลอก็บอกเอาขึ้นขึ้นไปตัดวาฮีซะ หรือไม่ก็ด้วยความเครียดตัวเอาเชือกผูกระดานแล้วก็ผูกคอให้ตายดูสิไอความเครียดของคุณที่มีตัวอิสลามจะหมดไปมไหมไม่หมดหรอกคุณก็ตายฟรีนะะี่แหละนะครับขึ้นประจานวะฮีก่อตัดไม่ได้อยู่แล้วนี่อัลลาหา์ละท่านะครับว่าถ้าหากคุณรู้ว่าอิสลามเนี่ยเป็นของอัลลอฮ์ผานบีมุฮัมมัดฉะนั้นเลิก เลิก อ, อะไรนะเลิกคิดทำลายอิสลามได้เลยอ๋อนี่เป็นคำสอนที่ดีมากนะครับทีนี้เมื่อคิดจะทำลายอิสลามทำลายไม่ได้ประย่าปรยะที่อ่านสุด ท, ท, ท, ท้ายก็คือว่าจกในธํานองนี้แหละอัลลอฮ์ก็จะประทานอันกรุณออนลงมาเรื่อยๆใช่ไหมอันซัลนาหูประทานอันกรุณออนลงมาให้กับนบีมุฮัมมัดเรื่อยๆใช่ไห อาญาตินเป็นองค์การหลายๆองค์การใบ ย, ยีนาตินแบบชัดแจ้งชัดเจนเลยไม่มีข้อสงสัยทางแคงนอธิบายกุรอ่านอธิบายกุรอ่านซึ่งกันและกันทีนี้อายะาวักวักสุดท้ายว่าอันอัลลอฮ์หยะดีไม่ชาแท้จริงอัลลอฮ์เนี่ยทรงชี้นำหรือว่าทรงนำทางผู้ที่พระองค์ทรงผสม อาย่านี้ทําให้เราเข้าใจว่าฮิดายะเนี่ยการชี้นำเนี่ยเดินตามอัลลอฮ์ฮิดายะเนี่ยคนหนึ่งคนใดจะเข้าใจอิสลามเนี่ยไม่ใช่เข้าใจเองนะไม่ใช่เข้าใจเองนะใครทําให้เขาเข้าใจอัลลอฮ์สุบฮานาบุวะจัด า, ดาต้องการจะบอกว่าฮิดายะเนี่ยเดินตามคําสั่งอัลลอฮ์ฮิดายะทางานเองไม่ได้ ฉะนั้นต้องฟังเอาล้อหมดเลยเรานี่มีหน้าที่สอนนะครับน บ, บีมีหน้าที่สอนนี่สอนน บ, บีสอนสฮะบะสอนคนที่อ่านคุรอานวันนี้ก็เหมือนกันนะศาสนาอิสลามเป็นศาสนาเดียวที่อัลลอฮ์สั่งให้ตับลีกด่าวะศาสนายิวเนี่ยใครไปด่าวะตับลีกนะบาปนะ แล้วก็ดาวัาตบลิกก็ไม่ได้ด้วยใครจะมาเป็นยูเนี่ยเขาไม่รับนะท่าทนศาสนายูมีจะเล็กลงเล็กลงเล็กลงอันไทยมีคนเกิดขึ้นเยอะมันก็มีประชากรเยอะถ้ารู้จะเอาคนอื่นมารับศาสนายูนะได้ไหมไม่ได้ถือว่าบาปด้วยศาสนาอื่นๆนี่นะไม่มีคําสั่งให้เผยแผนะ่แต่ศาสนาอิสลามเป็นศาสนาเดียวใครไม่เผยแผ่ผิด อ้าวไม่ไม่บอกลูกถูกถูกด้วยผิดผิดยังแรงเลยภรรยาทำผิดล่สามีไม่บอกถูกด้วยผิดผชดลูกหลานทำผิดตัวยอ่อไม่บอกตัวยอ่อนั่งมองเฉยผิดนี่เป็นศาสนาที่อัลลอ์บังคับให้เราทุกคนนั้นต้องสอนศาสนาเอาทำอยู Al ่ลิลลนี่ไอคันการสอนแบบนี้เนี่ยทำให้ศัตรูของอิสลามเนี่ย มีอย uh um. ู่ห้ากุ่มอายะต่อไปนะครับวันอัลลอฮ์ให้ายะีมายู่ดีแท้จริงอัลลอฮ์นั้นเป็นผู้นำทางผู้ที่อัลลอฮ์ทรงประสงค์ใครจะรับอิสลามได้รับอิสลามอยู่ที่อัลลอฮ์สุบฮานาอูตะลาเรามีหน้าที่อธิบายนะครับต่อมาอายะที่สิเจอินนัลเลดีนาอมานูวัลเลดีน่าฮะดู والصابين ئ والنصارى والمجوس والذين أشركوا إن الله يفصل بينهم يوم القيامة. إن الله على كل شيء شهيد إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين أشركوا إن الله يفصل بينهم يوم القيامة إن الله على كل شيء شهيد الحمد لله الله اللهني الله لقيت الله. الله. إن الذين آمادو دو คำเพล แท้จร <S treating himself> so, ิงบรรดาผู้ที่ศรัทธาอันนี้กลุ่มหนึ่งนะแท้จริงบรรดาผู้ที่ศรัทธาอธิบายต่อคต่อคาสั่งของนบีมฮัมมัดสุลลัลลัยฮะัลลัมคว่าอมานเนี่ยต้องกี่ข้อนะหข้อเลยอามันตุบิลลวะมาลาอิกาติฮวะกตบิฮวะรุูลมิอครวะบิลกดริยริฮวะชัริ มีนลีลอฮิอมานต้องหข้อครับต้องเอาไว้ในใจต้องนึกอยู่ตลอดเวลาอัลลอฮ์ต้อการจะอธิบายอายานี้นะคนเนี่ยแบ่งออกเป็นสองกลุ่มกลุ่มหนึ่งวันอินนัลลาีนาอามาูแท้จริงบรรดาผู้ศรัทธานะครับต่อคำสอนของนบีมุฮัมมัดสองรอในอุวสวรรมต่อมา กลุ่มใหญ่ๆเนี่ยแบ่งออกเป็นสองกลุ่มไอ้กลุ่มที่สองเนี่ยแบ่งออกเป็นห้ากลุ่มเอสองวันลดีิห้าดูแลบันดาผู้ที่เป็นยิวคนที่เป็นยิวเยอะไหมเยอะเหมือนกันหลายล้านนะมีกี่ล้านคนยิวเนี่ยสิบล้านนะแตมเก่งนะอัลล อัลลอฮ์ให้เยอะอัลฮ์มดุลิลลาห์ให้เยอะนึกว่าจะนอมนอ้นอมทอมตนกับอัลลอฮเห็นไหมนี่อัลลอฮ์ให้เห็นนะอัลลอฮ์นะมักดูบยาไลฮิมกลุ่มนี้แหละกลุ่มยะฮูดยะฮูดยะฮูดอัลลอฮ์มักดูบนะถูกประทานความกลุ้งลงมาให้ใข่กับเขาเพราะพวกนี้รู้แต่ไม่ได้ปฏิบัติปีน้องระวังนะบางทีเราเอาอัคลางยูมาใช้กว่าเยอะนะรู้แล้วแต่ ไมาได้ปฏิบัติไอปฏิบัติแบบแบบแบบไม่รู้เนี่ยพวกนโซรอนะระวังระวังระวังต้องนึกต้องเลึกครับวันละดีนะฮาดูนี่ศัตรูของของอัลลอฮ์ทั้งหมดนะหนึ่งสองคนที่เป็นยิฮูดีวันนะวซออีบีวอบีอซอบีนเนี่ยบรรดาผู้ที่เป็นซ อ, อบซอบอี ซอบีอดเนี่ยผมอ่านจากภาษาอรับจากภาษาอุรดูอ่านหลายๆายเล่มอธิบายอย่างนี้พวกนี้เป็นพวกบูชาเจเวดนะครับแล้วก็คนเหล่านี้นัต์เฟอธิบายไม่อนุญาตให้พวกเรา穆斯林เนี่ยแต่งงานกับผู้หญิงของพวกเขาและอาหารของพวกเขาก็กินไม่ได้นะครับแล้วก็ ผู้หญิงของเขาแต่งไม่ได้นะครับหรือผู้ชายของของของของผู้เขาเนี่ยผู้หญิงไปแต่งด้วยไม่ได้นะและอาหารของผู้เขานั้นนะครับห้ามเอามากินน ะ, ะซอบีอนเนี่ยนะครับเป็นคนที่บูชาจเจวิตไม่มีนบีและไม่มีคำพีมาจา ก, กชันฟ้านะแล้วก็พวกซอบีอีนเนี่ย <c oughs> คนซอบีนท่านในท่านนสมัยในบีเขาเรียกอย่างนี้นะสมัยในบีซอบีซอบีอี้เขาเรียกว่าได้นะคอราจามินดีนกูไรชินอิลาดีนอิสลามใครที่ทิ้งศาสนาของปุรชของปู่ย่าตายายเดิมๆของเขาแล้วก็หันมารับนับถืออัลอิสลามเขาด่าคนมุสลิมคนนี้ว่าซอบีอี้เหมือนกัน คนที่เรียนศุนนะต่อกัปฏิบัติตามสุนนะเขาเรียกคณะใหม่ใช่ไหมไอ้คนที่อยู่โง่ๆเนี่ยเขาเรียกคนดีเห่นไมพอพอมาเรียนมาเริ่มเรียนมาทำอะไรเรียกว่าซอบีอีหมดในสมัยนบีนะทีนี้พวกซอบีอีเนี่ยยังหลงเหลืออยู่ไหมเขาว่ายังยังมีอยู่แต่ประชากรเนี่ยมีไม่เยอะแล้ว แต่ส่วนใหญ่จะมีชีวิตอยู่สมัยก่อนนบีอ่อกริสสกราชประมาณห้าหกร้อยปีอันนี้คุณอานเล่าเพียงแค่นี้เองในตัฟซิดอธิบายเล็กๆน้อยๆพยายามอ่านจากสองภาษานะอุรุดูอารับไม่มีอธิบายเรื่องเล็กน้อยอย่างเดียวแต่อัลเล่ า, าเล่าอัลเล่าเล่าให้ฟังนะครับฉะนั้น คนที่เป็นยโฮดียโฮดีนี่อธิบายยังไงพี่น้องทั้งหลายครับยโฮดีก็คือคนที่เข้าไปอยู่ในศาสนายิวนะครับตาฮาวะดูอิยาดะคอรูฟิลเยโฮดีนะครับผู้เขาเข้าไปอยู่ในศาสนายิวในศาสนายิวเนี่ยไม่นอนุญาตให้ตับลิกนะครับเชิญชวนให้ผู้คนเข้ามารับศาสนายิวต่อมาครับ วันนาซารอนาซารอเนี่ยผมเพิ่งรู้เหมือนกันแปลว่าอย่างนี้นซ า, ารอก็คือเป็นชื่อ <c oughs> ในตำสิทธิบัตรบอกว่ามีอยู่ตาบลหนึ่งนบีอิสาเนี่ยไปอศาศัยอ ย, อยู่อยู่ที่นั่นเรียกว่านาซิรอหมูบ้านที่ท่านนบีอิสราไปอศาศัยอยู่เรียกว่านาซิรอฉะนั้นคนที่ เข้าไปนับถือาศาสนาตามน บ, บีอีซาจึงเรียกว่านาฟรอเป็นชื่อตำบล น, นะเป็นชื่อตำบลอยู่ในปาเลสไตน์นะครับนะครับอยู่ในปาเลสไตน์เอาต่อมาครับวัลมายูสอโลอมายุสนอธิบายยาวนะมายุสเนี่ยสรุปก็คือเป็นพวกบูชาบูชาไฟเป็นไม่ใช่อารับเป็นคนอาดัมแบบพวกเรานี่แหละนะครับ และมีพระเจ้าของเขาชื่อจาร์ดัชตนะครับพวกนี้นับถือพระเจ้าสององค์นะครับองค์หนึ่งเขาเรียกว่าองค์ใหญ่องค์แห่งความดีและอีกองค์หนึ่งเนี่ยองค์แห่งความเล็กนะครับแล้วก็ส่วนยยยใหญ่อยู่ในอาดัเบจานอาดัเบียนอยู่ในยุโรปไม่ใช่ยุโรปสิใกล้ๆเปอร์เชียนี่แแถวๆแถวรัสเซียรัสเซียรัสเซียนะครับ มีประชาพวกนี้ก็มีก่อนพระพ ก, พกบับพระสัมพนี่แหละมีก่อนอยู่ก่อนศาสนาคริสต์ประมาณห้ารอปีนะครับคนเหล่านี้นะครับเนะบชื่อว่าความดีความชั่วแล้วก็เชื่อว่ามีมีสวรรค์แล้วก็มีนรกและยังเชื่อว่ามีมลาอิกะนะครับก็มีแค่นี้เองนะครับพวกไหนนะพวกมายูส แล้วก็อยู่ในอินเดียมีไหมอินเดียมีอยู่ในแถวแบอมเบย์นะครับแต่กลุ่มกลุ่มไม่เยอะนะครับอยู่ในอิหร่านเนี่ยเยอะหน่อยแต่มาครับพวกนี้ก็เพื่อ บ, บูชาไปนี่เอาล้อเล่าให้ฟังนะนะครับเอาสรุปอินนัลรีนะอามานูแท้จริงบรรดาผู้ที่เป็นผู้ศรัทธาต่ออัลลอฮ์นี่กลุ่มหนึ่งนะครับแล้วต่อมาเนี่ยเป็นกลุ่มที่สองจะมีอยู่ห้าพวก วัน ล, ละดีนะฮะดูคนที่เป็นยูวัซบีอินคนที่เป็นซอบีอีนะครับหิดเป็นศาสนาบนนะชื่อศาสนานะอันที่สามนสรอนสรอก็ชื่อตำบลที่นบีอีซาอยู่นะวันมายุสพวกบูชาไฟสวัน ล, ละดีนะอัชรอคูและบรรดาผู้ที่ตั้งภาคี ก, กับอัลลอฮ์คือพวกบูชาเจเวิต ห้ากลุ่มตกลงว่าในโลกใบนี้นะครับคนที่ไม่เอาอัลลอฮ์หันหลังให้อัลลอฮ์นั้นมีกี่กลุ่มนะห้ากลุ่มพี่ต้องสงสัยเออยะฮูดีก็เอาเอาเอาเอาัลลอะหักทำไมไม่ไม่ยอมรับนะกะเป็ น, เ ป, นเป็นมุสลิมนะคนยะฮูดีเป็นอยังงี้พี่น้องนับถือว่าอัลลอฮ์เนี่ยมีลูกชื่ออซเจสอ่าตรงนั่งเอง นะครับแล้วก็คนถ้าทำถ้าทำชีริตปั๊บเนี่ยเอาลอไม่เอาแล้วเอารโกรธแล้วยะฮูดีนะครับยึดท่านอูเซสเนี่ยเป็นลูกอัลลอ์พี่น้องนอสอรอคริสเตียนนะครับยึดนบีอีซาเป็นลูกของอัลลอ์สุบฮานอลลอี่เสียหายอยู่ตรงนี้แต่พี่น้องมุสลิมนำโดยนบีมุ h ม m m a d นั้นกลัวอัลลอฮ์หัวดอัลลอฮ์มีองค์เดียวลมยลดวะลมยูลัด อัลลอฮ์ไม่มีลูกอัลลอฮ์ไม่มีพ่อและไม่มีอะไรเสมอือเสมอเหมือนอัลลอฮ์นี่เป็นอักีดา่าคิดเื่ออักดีด่านะอักดีด่านะยิ่งใหญ่ที่สุดเป็น้องถ้าอักดีด่าผิดนะอามันอัลลอฮ์ไม่รับเลยนะฉะนั้นศัตรูของอิสลามนะที่จะทําลายอิสลามมีกี่กลุ่มนะห้ากลุ่มหนึ่งไครกรบยะฮูดีสองซอบินสมนสอซารอ สี่มายุสมายุสพ ว, พวกบูชาไฟนะวันละดีนะอัลลอฮฺกูแต่บรรดาผู้ที่ตั้งภาคีกับบล็อกเห็นย่งครับศัตรูของอิสลามมีทั้งหมดห้ากลุ่มถ า, วามว่านบีอุมะมัดเหนื่อยไหมเหนื่อยครับวันนี้พวกเราเองก็เหนื่อยนะถ้าคิดจะเผยแผ่ อ, อิสลามต้องการที่จะปกครองตนเองไม่ให้ถล่มตกไปอยู่ในหกลุ่มเนี่ย อ, อัลลอฮฺอะกีดะ ต่างกันต่างกันต่างกันก็ต้องระวังตัวอย่างที่สุดจะต้องเรียนศาสนาถ้าไม่เรียนถูกหลอกนะครับเดี๋ยวนี้ชีอาก็มาแรงนะแรงนะอัลลอฮฺเรื่องระวังให้ดีนะครับพิจารณาจากชีอะเนี่ยอัลลอฮฺทดสอบนะถ้าเราไม่เข็งศาสนาไม่เข็งคัดอยู่กุกษัตริยนาถูกหลอกหมดเลยคําถามก็ตั้งคําถามท่านไปเรางงอะ่ะเช่นอย่างว่า จะรู้เรื่องนบีมูฮัมหมัดนี่คำถามจากกลุ่มชูย่านะ่ะถ้าจะรู้เรื่องนบีมูฮัมหมัดนะ่ะถามในคนในครอบครัวนบีมูฮัมหมัดหรือไปถามคนนอกครอบครัว น, นบีมูฮัมหมัดตั้งคําถามดีนะถ้าจะรู้เรื่องว่านบีมูฮัมหมัดทาอย่างงี้อย่างงี้อย่างนี้เน่นะถามคนในบ้านดีหรือถามคนนอกบ้านดีเ อ, าาอ้าวชาวบ้านคิดยังไงเออใช่เชว้ยใช่เลย โอ้ถ้าจะรู้เรื่องนบี ม, มุฮัมมัดก็ต้องถามคนในครอบครัวนบี ม, มุฮัมมัดนี่ไงไปแล้วพอตั้งประเด็นนี่แป๊เออใช่เลยแต <c oughs> <c oughs> มาจากนี่พยาระซูนกับถูกตำหนิอกีกนี่แต่คนใช้ปัญญานะีพี่น้องตง้องตง้องต้องใช้ปัญญานะแล้วก็ถ้าไม่ถ้าไม่ใช้ปัญญาแล้วไม่ละเอียดอุลโว เอาเราจะไม่ไ ม, ไม่พูดเรื่องนั้นนะไปน้องไปศึกษาเองไปหาความรู้เอาเองนะอาที น, นี้ ต, ต้องการจะอธิบายให้ฟังว่าอาตีดาของผู้ศรัทธาต่อ Allah, อัลลอฮ์อาตีดาของคนยิวอาตีดาของซอบีอีนอาตีดาของชาวนาอซอร์อากีดาของชาวมายูสวัน ล, ละทีนอัชรกบุห้ากลุ่มนั้นเป็นศัตรูของอัลลอฮ์ทั้งหมดแล้วเป็นไงครับเราขัดแย้งกัน อินอัลลอฮฺยักษิลุไบนาหุมยาหุมันกิยามะแท้จริงอัลลอฮฺจะตัดสินในระหว่างพวกเขาในวันฟื้นคืนชีพนยู่ น, นะพี่น้อง Allah, อัลลอฮฺว่ากันเห็นยังครับทันวันนี้เรามีหน้าที่เรียนเรียนเรียนเรียนเรียนถ้าจะถามเรื่องสุนนะต้องถามอุลลามะฮะดิษอย่าไปถามอุลลามะฟิกโก ต้องถามอุลมามะฮะดีษที่อุลมามะที่เขาเรียนวิชาหะดิษมาเนี่ยถามว่านาบีสอนยังไงนบีทําแบบนี้ยังไงต้องอัดต้องถามอย่างงั้นไม่ใช่เดินตามอย่างเดียวต้องถามอิหม่ามช่วยอธิบายหน่อยสุนนะนบีในการอาบน้ําน้ำมาดทํำยังไงช่วยอธิบายพวกฟังหน่อยเพราะผมพระผมไ ม, ไม่ไม่เข้าใจต้องถามว่านาบีทํานะนี่วิธีถามคนรู้ว่าฉันเนี่ยจะอัดจะเอาสุนนะนบีมาใช้ในชีวิตประจําวันเนี่ย ช่วยอธิบายให้หน่อยนะครับตัวรองว่าศัตรูของอิสลามมีกี่กลุ่มนะฮะพี่น้องเห็นยังครับทีนี้ขัดแย้งกันนะ่ะแต่และศาสนาจริศาสนาขัดแย้งกันไอ้ความขัดแย้งกันนี่อัลลอฮ์จะตัดสินเมื่อไรนะในวันตียมะต่อมาครับอ al ah ินนัลลอฮะะุลิชาอินชาฮดแท้จริงอัลลอ เป็นชายิกบอกว่าเป็นเป็นพยานคําว่าพยานหมายถึงรู้คนเป็นจะเป็นพยานต้องรู้นะพยานที่ถูกก้องเนี่ยต้องต้อ ง, องรู้ฉะนั้นอลัลลอฮ์เนี่ยเป็นพยานอาลัลลอฮ์ทรงรู้ทุกสิ่งทุกอย่างที่มนุษย์ปฏิบัติทั้งหมดอลัลลอฮ์จะตัดสินในวันเตียมะครับพี่น้องคำว่าตัดสินในวันเตียมะเนี่ยอัลลมะอธิบายอย่างนี้ตัดสินหมายถึง อัลละมัลตัดสินการงานของแต่ละกลุ่มแต่ละกลุ่มแต่ละกลุ่มนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ศรัทธาต่ออัลลอฮ์เนี่ยอัลลอฮ์ตัดสินให้อยู่ในสวนสวรรค์ของอัลลอฮ์ส่วนอีกห้ากลุ่มนั้นทําผิดทําผิดเงื่อนไขของอัลลอฮ์ที่อัลลอฮ์สอนผ่านนบีมูฮัมมัดเรียกว่าคนกาเฟตอัลลอฮ์จะตัดสินให้ภูเขาอยู่ในไฟนรกของอัลลอฮ์ซุบฮานวูวะตะอัลาซึ่งการตัดสินแบบนี้ ทุกคนรับรู้ตั้งแต่โลกดุนยาในวันเกียรมอาอัลลอ์จะแสดงให้เห็นหมดเลยแต่ว่าทุกคนในรู้แล้วว่าคนที่เป็นมุสลิมได้ส ว, สวรรค์คนที่ปฏิเสธอิสลามหันหลังให้อลัลลอ์จะเป็นชื่ออะไรก็ตามถึงห้าชื่อนั้นอลัลลอฮ์จะตัดสินให้อยู่ในความผิดทั้งหมดเลยนะครับต่อมาอายาที่ส8บปดอายานี่ดีมากนะพี่น้อง آدم تارو أن الله يسجد له م ن في السماوات ومم في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر و ا ل ش ج ر والشجر والدواب وَكَسِيرٌ مِنَ النَّاسِ وَكَسِيرٌ حَقَّ عَلَيْهِ الْعَذَابَ و َ م َ ي ِ ه ِ ن ِ اللَّهُ فَمَا لَهُ م ِ ن م ُ ك ْ ر ِ إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ أ ل ل ه م ترأن الله يسجد ل ه م ن في ا ل س م ا و َ م َ م ف ِ ي الْأَرْضِ وَالشَّمْسُ وَالقَمَرُ وَالنُّجُومُ وَالجِبَالُ وَالشَّجَرُ وَالدَّوَابُ وَكَثِيرُ مِنَ النَّاسِ ว a k e s ي ر حق عليه العذاب و َ م َ ي ُ ه ِ ن, ن ِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ مُكْرِمٍ إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ الحمد ุ לله อัลลอฮ์อัลยานี่เปิดหูเปิดตาพวกเราเองคนที่อ่านอาดัมตาลท่านไม่เคยคิดดูบ้างหรือ <اء> บอกใครบอกนบีมุฮัมมัดอุลามะอธิบายว่าบอกคนที่อ่านกุรานที่เราอ่านอยู่ขณะ น, นี้นะพวกท่านยังไม่เคยคิดดูบ้างหรืออลัลลอฮ์ อ, อลัลลอฮ์ทำไมพวกคุณไม่เคยคิดดูบ้างลึกคิดอะไรครับอัลลอฮ์แท้จริงอลัลลอฮ์เนี่ยนะอลัลลอฮ์เท่านั้นแหละแท้จริงเฉพาะอลัลลอฮ์เท่านั้นแหละยัสยูดูลาหู กราบคำว่ากราบทีนี้นะี่ยไม่ใช่กราบแบบศาสนาเอาอะไรนะเอาหน้าผากจมูกมือทั้งสองข้างแล้วก็ข่าทั้งสองแล้วก็ปลายนิ้วเท้าทั้งหมดรวมทั้งเจ็ดที่สูยูดนะ่ยไม่ใช่แบบนี้นะครับนี่เป็นหลักการของศาสนาอิสลามคำคำว่ากราบต้องใช้อะไรนะเจ็ดที่นะหนึ่ง หน้าผากกับจมูกสองสามฝ่ามือทั้งสองสามแล้วนะหัวเข่าทั้งสองเท่าไหร่สี่ห้าหเจ็ดปลายเท้าทั้งสองเจ็ดที่เรียกว่าสุดยู่แต่คำว่าสุดยู่ตรงนี้ไม่ใช่สุดยู่แบบนั้นสุด ย, ยู่หมายที่นี่หมายถึงนบนอกหรือว่ามตนเชื่อฟังปฏิบัติตามอัลลอ ใช่ครับมัมฟิสามาวาผู้ที่อยู่ในชั้นฟ้าทั้งหมดผู้ที่อยู่ในชั้นฟ้าทั้งหมดต่างสุดหยดกราบต่ออัลลอฮ์กราบแบบไหนไม่รู้นะครับว่ามัมฟิลอารดีและที่อยู่ในแผ่นดินทั้งหมดกราบต่ออัลลอฮ์องเดียวถ้าเป็นมนุษย์ก็กราบแบบที่อัลลอฮ์สั่ง ถ้าเป็นมาลีกะบาปกาบตามที่อัลลอฮ์สัง่งถ้าเป็นแพะกราบแบบไหนไม่รู้ถ้าเป็นเป็ดกาบแบบไหนไม่รู้ถ้าเป็นต้นไม้ไม่รู้ว่ากาบแบบไห น, นฉะนั้นเราเคยได้ยินน่ะว่าต้นไม้สูดอยู่ในเดือรรนมกรา่ะก็กหกก็โกหกทั้งนั้นเลยต้นไม้สูดอยู่เอาหมวกไปแขวนอ้าวหมวกอยู่ข้างบนัน ไ, ไม่ใช่ไม่ใช่สูดอยู่แบบเราไนอะ้คว่าสูดอยู่สูดอยู่แบบไหนไม่รู้แต่อัลลอฮ์เล่าให้ฟัง ต่อมาครับวัชชัมสู่ดวงอาทิตย์ก็กลับอัลลอฮ์อัลลอฮ์นี่อัลลอฮ์เล่าให้คนอ่านคุรานฟังนะสิ่งที่อยู่ในชั้นฟ้ากลับอัลลอฮ์สิ่งที่อยู่ในแผ่นดินกลาบอัลลอฮ์ดวงอาทิตย์กลับอัลลอฮ์วันกอมารุอะไรครับดวงจันทร์ก็กลับอัลลอฮ์วันนูยูมดวงดาวทั้งหมดก็กลับอัลลอฮ์วันจิบาลภูเขาก็กลับอัลลอฮ์ วัชจารุต้นไม้ก็กับอัลลอวัดดาวาสัตว์ทั้งหมดเอากี่รายการครับหนึ่งผู้ได้อยู่บนชั้นฟ้าสองผู้ได้อยู่บนแผ่นดินสมดวงอาทิตย์สี่ดวงจันทร์ห้าดวงดาวหกภูเขาเจดต้นไม้แดสัตว์ 9. วากาซีรุมินานาและมนุษย์ส่วนใหญ่ 9. รายการ ก็สิ่งที่อัลลอฮ์สร้างบนโลกใบนี้นะ่ยหมดแล้วนี่นะหนึ่งชั้นฟ้าแผ่นดินกราบแล้วดวงอาทิตย์ดวงจันทร์กราบกลางวันกลางคืนก็กราบมนุษย์กบับสัตว์กราบกราบหมดแล้วแต่กราบอย่างไงนั้นไม่มีใครรู้ครับนี่ไงผมสังเกตนี่นะเวลาเดินออกมาจากบ้านมามัสยิด มันเป็นอยู่หน้าหนึ่งต้นไม้ที่อยู่ระหว่างทางเนี่ยใบใบจะดอกมันนะร่วงนะทุกต้นเลยทั้งประเทศมันร่วงหมดเลยพร้อมๆกันเราก็นั่งนึกเออใช่เลยร่วงพร้อมกันบนทั่วประเทศเอไก่สังเกตนะใบไก่อูไก่แกจ้มันขันหมดเลยอะ่ะไอตัวไม่สบายมันก็ขันด้วยอะ่ะไอเราไม่สบายจะเดือด ร, ร้อนเลยนะ สังเกตนะอโลเอา้าเวลาอะไรเนะี่ยฝนตกพอฝนตกปั๊บนี่นะกบเขียดอออกแบบัทั้งประเทศเลยนะสังเกตครับอาลัมตาลอใน อ, อัลลอฮฺสอเนี่ยพวกท่านไม่เคยใช้ปัญญาบ้างหรออัลอลอะไรนี่สังเกตนะครับสัตว์นะอะไรนะเป็ด์นะเวลามันมีกล้ากันนะมันอาบน้ําทุกทีนะ่ะมุดน้ําอัลลอฮฺข้ามเนริละ มุสลิมก็ทําตามแต่คนกาเฟเนนะี่ยไม่เคยสุดไม่เคยไม่เคยกราบอลัลลอฮ์นะไม่เคยอาบน้ำหลังจากหลังจากมีการกันใช่ไหมทรยศต่อร้อยอย่างแรงเลยนะไปดูสัสตว์ทั้งหมดสิสูดจมดูกตลอดทั้งหมดเชื่อฟังตลอดเวลาหมดเลยสนะังเกตสังเกตสังเกตแล้อาการอาบน้ําหลังจากมีญาบาทําใหนะ้ร่างกายเป็นไงสดชืลล่นทำอยู่เลยนบีพูดบอก ว, ว่า second time โอกาสมีด้วย อันทาีกมาตั้งหลายปีเลยนะ second time l อ r d a กบ e r มันอะไรนะมันยาโดบอย่างดีนะ b o บ b u n แปลว่าสัตว์ชนิดหนึ่งเขาเรียกว่าตัวแย่ใช่ไหมโ ด, ดบโด บ, ดบเหมือนกันนะครับอาต่อมาครับ <c oughs> ตัวรองว่าสิ่งที่อยู่ในโลกใบนี้เก้าชนิดหนึ่งชั้นฟ้าสิ่งที่อยู่ในชั้นฟ้าสองสิ่งที่อยู่ในแผ่นดิน สามดวงอาทิตย์สี่ดวงจันทร์ห้าดวงดาวหกภูเขาเจ็ดต้นไม้แปดสัตว์ว ash, วตว Allah, เก้ามนุษย์อัลลอฮอักบ์ยัสจุดูแลวสุจูต่ออัลลอฮ์อมเดียบอาตมาระครับและก็มีส่วนมากกซีแปลว่าเยอะ ส่วนมากกว่าเหมือนกันฮักใจอะไรที่อาดับที่การลงโทษอาดาบการลงโทษอะไรที่พักกุลอะไรเหมาะสมแก่เขาแล้วก็เหมือนกันโอแสดงว่า ม, มนุษย์ที่ไม่ไมกราบอัลลอฮ์นี่ก็เยอะเหมือนกันนี่ใครเล่าครับอัลลอฮ์เล่าเลยกะซีรุนฮักฮกวาอะไรทีอาดัแล้วก็เช่นเช่นเดียวกันนะครับส่วนมาก ที่การลงโทษเหมาะสมแก่พวกเขาแล้วเช่นกันเราอยากให้ลูกหลานเราไม่กราบอัลล์ไหมเราไม่อยากแะ่นั้นก็ต้องอบรมลูกของเราให้กราบอัลลอ์ให้สูดดีต่ออัลลอ์ ح ا ن ه และ้งุอัลอฮอโตมว่ามายหินอิลลัฮูฟมาลูมิมุคริมยุหินเนี่ยแปลว่าอภัยยศ อับปะยะ์ไปว่าอดไแต่ว่าอับอายบวัวไม่ผู้ใดที่อัลลอฮ์ให้ททรงทําให้เขาพบกับความอับปย์อัลลอฮ์อัลบาดพี่น้องอัลลอฮ์ผู้ใดที่อัลลอฮ์ทำให้เขาพบกับความอับปะยะ์ Allah, Allah, หาา ม, ะยะมายถึงไม่มีศาสนาไม่เอาอัลลอฮ์ไม่สู้อยู่ต่ออัลลอฮ์ทรยศต่ออัลลอฮ์เป็นไงครับ ฟามาลาหูมิมมุคริมก็จะไม่มีใครให้เกียรติเขาอลวัยไหมอัลลอฮ์นี่อย่างน้อยที่สุด น, นะคนที่ไม่เอาอัลลอฮ์นะแปดรายการนี่ไนงะก็ไม่เอาคนนั้นด้วยนะคิดว่าผมอ่านทาริสพบนะคนมุมินตายกับคนกาเฟตตายไม่เหมือนกันครับคนมุมินตายนะแผ่นดิน กับชาญฟ้านี่นะ่ะร้องให้แทนยินตรงไหนเนะี่ยไม่ใช่ร้องทั้งทั้ ง, ท, งทั้งโลกนะส่วนที่ที่ความดีของเขาขึ้นไปข้างบนนะที่ตรงนี้นะเนี่ยอย่างอ่ะอย่างอ่ามัสยิดเนี่ยที่เราสู้หยุดยกตัวอย่างเราสู้หยุดกี่ที่ล่ะเราสู้หยุดที่บ้านกับที่มัสยิดสองแห่งยกตัวอย่างนะไอ้ที่ที่เราสู้หยุดดีนะนั่นน่ยเป็น มันเป็นที่ที่ต้องส่งผลบุนขึ้นไปที่ตรงนี้นะร้องให้นะแล้วก็ไอ้ส่วนที่ความดีรางวัลตอบแทนจากอัลลอ์ที่อัลล์จะประทานลงมานะก็เป็นมีที่อีกนะลงมาหาเรานะก็ร้องให้เห็นยังครับฉะนั้นแผ่นดินของอัลลอฮ์นี่นะรับรู้เรื่องของเราทั้งหมดนะ ที่เราทําอะไรไว้ไันะนะแผ่นดินเนี่ยอะไรนะรีคอร์ดรีคอร์ดรีคอร์ดบันทึกบันทึกบันทึกทั้งหมดเวลาเราตายนะเสียใจก็ต่อรองให้กันหมดเลยเห็นไหมครับแล้วคนกาเฟตายนะเป็นไงก็ตรงกันข้ามมัน่ต้องทำอะไรเพราะฉะนั้นแผ่นดินของอัลลอฮฺรีคอร์ดเรื่องของเราทั้งหมดบนชานฟ้าก็อธิบายเรื่องของเราทั้งหมดสู่อยู่ต่ออัลลอฮฺเชื่อฟังอัลอฮอัลลาห์ ทุสิ่ทุอย่างหมดเลยครับพี่น้องดวงอาทิตย์เป็นดวงจันทร์หมดเลยนะทีนี้ผู้ใดที่อัลลอฮ์ทำให้เขาอับปย์ก็ไม่มีผู้ใดให้เกียรติเขาบนดุนยาและอาคีรอทั้งสองโลกนะครับอ้าวสังเกตคนที่ไม่เอาอัลลอฮ์เนี่ยเวลาตายอยู่ในกุโบ่ถ้าจะเราจากฮะดิษนะแผ่นดินจะบีบเขาโจทั้งสี่โครงเป็นไงนะประสานกันเห็นไหมพี่น้องนี่ถ้าเราไม่เชื่อนะ เราก็อยู่บนดุนยานี่แบบอิสระตามตามอารมณ์ตนเองพอเราเชื่ออัลลอฮ์ปั๊บนะเราจะไม่นอนตื่นสายเราจะไม่พูดโกหโกเราจะไม่ทําความชั่วเราจะเดินตามคําสั่งของอัลลอฮ์ทุกกรณีอัลทำดุลิเลาะเป็นอัตอมาครับอินนัลลอฮ์ย์ฟัลุมาเยชาและอัลลอฮ์ทรงกะระทําที่พระองค์ทรงประสงค์อัลลอฮฺอักบัด อินนัลลอฮิย่าฟาลุมะยาเชฟะองทรงกระทาตามที่พระองค์ทรงประสงค์อัลลพี่น้องตัฟซิดอ ธ, ธิบายอย่างนี้อธิบายว่าไงนะคนที่มีปัญญาเท่านั้นแหละที่จะเข้าใจเรื่องเหล่านี้ถ้าไม่ใช่ปัญญาไม่ปัญญา ลุศาสนาอิสลามนี่สอนให้เราคิดใช่ให้เราใช้ปัญญาให้คิดเยอะๆอคิดตแล้วก็อย่าลืมนะสเติปปัญญานี่นะอัลลอ์ให้กับทุกคนไม่เหมือนกันนะบางคนพูดคำสองคำเข้าใจบางคนพูดร้ายทำยังไม่เข้าใจเลยแค่นั้นต้องมันขอุดูอาต่ออัลลอ์นะครับทีนี้ตับซิดอธิบายต่อไปอีกผู้ใ ด, ดที่อัลลอฮ์ทรงทำให้เขาอับอายก็ไม่มีความสุข ก็ไม่มีความสุขที่เขาจะได้รับอีกต่อไปมาถึงโลกอาคิอรอแต่บนดัอย่าลืมนะบนดุญยานี่อัลลอฮ์ให้กับคนทุกคนจะเป็นมุสลิมม่ใจมุสลิมอัลลอฮ์ให้หมดนะแต่อาคืรอเนี่อัลลอฮ์ให้ไหมเลือกให้เฉพาะผู้ศรัทธาต่ออัลลอฮ์เท่านั้นนะครับเอาต่อมาครับอายาที่19บเก้าอัลฮัมดุลิลเลาะถี่น้องฮะดานีขอสมัน اختصموا في ربهم، فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من ن ا ر يصب من فوق ر ؤ و س ه م هذا ن خ ص م ا ن اختصموا في ربهم. فالذين كفروا قطعت لهم سياب من النار يصب من فوق رؤوسهم الحميم الحمد لله ได้ความรู้เพิ่มอีกครับพี่น้องฮดนีสองอันนี้ คอสมานี ani, ผู้โต้เถียงทั้งสองนี้ใครโต้เถียงกับใครอ่ะเอพี่น้องกุรอานอธิบายหมดเลยนะสองผู้โต้เถียงทั้งสองนี้อิสตาสมูโต้เถียงกันฟีโอ บ, บีหิมเกี่ยวกับพระผู้อภิบาลของพวกเขารอบบุญในแปลพระผู้อภิบาล นะครับอิลาฮุนแปลว่าพระเจ้านะฮารานิคอสมานผู้โต้เถียงทั้งสองนี้ได้โต้เถียงกันเกี่ยวกับพระผู้อธิบาลของเขามีคําอธิบายถึงห้ารายการคำว่าโต้เถียงกัน อ, อธิบายอันที่หนึ่งเขาบอกว่าคนยิว อ, อาลุลกีตาบกับใครนะกับมุสลิมนะเถียงกันอย่างนี้ ตับซีอิมมุกซีในบาดีนะหนึ่งคนชาวคัมภีร์บอกว่านาบียูนากรบล่านบียุกลุ่มนบีของเรานาบีมูซานาบีอีสานี่มาก่อนนบีมุฮัมมัดฉะนั้นเราต้องดีกว่าอิสลามวาคีตาบูนากรบลากีตาบุกุมคัมภีร์ของเราเตารออินยีนมาก่อนตุราอาตไอ้ของที่มาก่อนก็ต้องดีกว่า วันนั้นหนูคอยรุนละกลุมเราเนี่ยดีกว่าพวกท่านนี่กลุ่มเยอะกลุ่มนะกลุ่มนาซร อ, รอกลุ่มคริสเตียนกลุ่มคาำชาวคามัมภีโต้กันกับกลุ่มมุสลิมอาภีน้อนมงมุสลิมตอบว่าไงครับกีตาบุนายักบออาลกกีตาพีกุมแต่คัมภีของเราเนี่ยมาที่หลังก็จริงจะ ต, ตัดสินคัมภีของคุณอยู่เหนือกว่าใช่ไหม อ๋อเรื่องที่สองขวา น, นาบีอยู่นะขาวที่มูลอัลบียานาบีขโมมัดมาที่หลังก็จริงแต่เป็นนาบีคนสุดท้ายเพราะฉะนั้นในของที่มาที่หลังต้องดีกว่าของที่มาขอเถียงกันเอาล้อเล่าหมดเลยนะเห็นไหมอา้าวใครจะใครเถียงกันเอาเล้อเล่าหมดอา้าวเรื่องที่สองพี่น้องเรื่องที่สองคนมุสลิมกับคนกาเฟสเถียงกัน คนคนมูมูมินบอกว่าตายแล้วฟื้นแต่คนกาฟเฟสบอกว่าตายแล้วฟื้นได้ไหมฟิน้นไม่ฟื้นตายแล้วตายเลย <c oughs> ผมเดินส <c oughs> ุนหลวงเราเก่ามาทาว่ า, าลุงคนนี้ไปะนะโอ้เขาไปสวรรค์แล้ว เ, เราก็นึกต่ออไปสวรรค์ได้ยอย่างไง <c oughs> เราก็ต้องทานอย่างน้อยอีกสิสองข้อใช่ไหมอัลลอฮ์ต้องนมาต้องบัวต้องฮะยีต้องนู้นต้องนี้อัลลอฮ์ เขาไปสวรรค์แล้วพริคําตอบที่ง่ายมาแต่เราเครียดนี่ยเอาเราไปฟังอิคตอตมาฟิลบาสีคนมุมินกับคนกาเฟทเถียงกันว่าตายแล้วฟื้นหรือไม่ฟื้นแต่ผู้ศรัทธาต่อรถทุกคนพูดว่าตายแล้วต้องฟื้นแต่คนกาเฟทเกือบทุกคนพูดว่าตายแล้วจบไม่ฟื้นแหละใช่ไหมต่อมาครับข้อที่สามนรกกับสวรรค์ก็เถียงกันอีก นรกบอกว่าอิจอันนี้ลิลอกูบาสร้างฉันมาสิเพื่อเอาไว้ต้อนรับคนที่ทำบาปสวรรค์ก็เหมือนกันบอกว่าอิจอัลนี้ลิลรอมมาสร้างฉันมาเนี่ยเพื่อต้อนรับคนที่ทำความดีจะได้รับรอมมาให้กับคนคนนี้ อ, ลอัลลอฮ์ใไหมก็เทียงกันเรื่องที่สีคนมุสมิมเนี่ยกับคนกาเฟดีนะช่วยงานศาสนานของอลัลลอ์ไม่เหมือนกันะ คนมุสลิมเนี่ยต้องการที่จะช่วยงานศาสนาของอัลลอฮ์ให้เจริญใช่หรือไม่ใช่ทุกคนอยากจะให้บ้านมีบราิการให้ลูกมีบริการให้นั่นให้ดีมีเปลี่ยนแปลงหมดแต่คนกาเฟตต้องการที่จะดับรัศมีของอัลลอฮ์ดับอิสลามใช่หรือไม่ใช่และต้องการจะก่อฟิตรนาฟิตรนาฟิตรนาสมาฉะนั้นคนกาเฟต อ, อยู่บนโลกดุนยากับมุมลินอยู่บนโลกใบนี้ความคิดไม่เหมือนกัน มุมินอยาได้ยินเสียงอาจารย์อยากเห็นคนเดินแต่งตัวสะอาดๆปิดนู่นปิดนี่ไม่เปิดอะไรเลยแต่คนคาเฟ่บอกวโฮมเหงาหน้าดูเลยปิดหน้ากันหมดเลยไม่มีความสุขเลยความคิดไม่เหมือนกันเลยเห็นไหมแค่นั้นเขก็ขัดแย้งกันตลอดนะครับอีกอีัดอีกขัดหนึ่งอธิบายอย่างนี้ว่ากุรอ่านอาย่านี้ถูกประทานลงมาวันสงครามบัดดั ฮัมซาญาตนนบีเนี่ยฆ่าท่านอุตบะไซนาอาลีบินอบีตอลีฆ่าท่านวลีอบัยดาบินฮาริสฆ่าท่านท่านอิบนร์บีคือก็มีการขัดแย้งกันออกออกออกสงครามแล้วก็ขัดแย้งกันก็ต้องตง้องลงเขาเรียกว่าวยิฮาฟฟีสบิลิลละแต่คนกาเฟสนี่นะครับถูกฆ่าแต่มุสลิมถูกฆ่าต่างกันม มุสลิมถูกฆ่าเรียกว่าตายชสีีตคนกาเฟตถูกฆ่าเรียกว่าตายเสีดตไหมเรียกว่าไม่ไม่ไมาเตาเสียชีตเอาละขัดแย้งกันทั้งหมดแล้วนี้อลัลลอฮ์ว่าไงนะฮาจานิคอสมาผู้โต้เถียงทั้งสองนี้โต้เถียงกันเกี่ยวกับพระผู้อภิบาลของพวกเขาเล่าให้ฟังว่าการโต้เถียงกันขาด ความคิดขัดแย้งกันมีตลอดเวลาจนกว่าจะถึงวันสิ้นโลกสบายใจใไหมอ๋อสบายใจฉะนั้นเราต้องอบรมลูกของเรายิ่งเอาลูกไปส่งโรงเรียนที่มาใชัมุสลิมรอคงที่มาถามพ่อพ่อพอัอลลอฮ์อยู่ไหนอ่ะพ่อก็ตอบไม่เป็นมึงอยมาถามผู้เลยมึงจะมาถามผูออมมาาม้ก็ลูกถูกถามมาจากโรงเรียนน่ะ แล้วพ่อไม่ฉลาดอ่ะรอจนนั้นมาต้องอธิบายให้ลูกฟังพ่ทําไปส่งโรงเรียนที่สนคนใหญ่ไม่เอาไม่เอาอิสลามอ่ะเห็นไหมเออทำมาเลือกส่งโรงเรียนที่เป็นมุสลิมด้วยกันกับความเข้าใจอิสลามก็ง่ายขึ้นจะนั่นส่งลูกไปอยู่ตรงไหนก็ตามต้องนึกตรงนี้ด้วยนะคอสมานขัดแย้งกันตลอดแต่ต้องต้องอธิบายได้นะครับต่อมาครับคนที่ไม่เอ า, าอัลลอฮ์เป็นไงครับ ฟัลลาีนักฟรูและผู้ที่ปฏิเสธอลัลลอฮ์ผู้ที่ปฏิเสธนี่ไม่ต้องลงทุนเลยนะอลัลลอฮ์ตัดเสื้อผ้าไปเรียบร้อยหมดแล้วกุตติอัลหุมเซียบุมมินนาตมีอภร์เสียบแปลว่าอภร์เสียบเสียบ มาจากเสาบุญนั่นแหละเดิมมันอะเสาบุญเสียบุญแปลว่าอภรเรียกเสาบุญออกเป็นโตบนะเสาโต๊บโตบเสาโต๊บเหมือนกันพอเราเนี่ยเรียกเสียบุญเสาบุญแต่ว่าอภรออกเป็นโตบได้นะคิดดูสิชั้นหนึ่งเลยนะโต๊บโตบโตบเอาละมีคนกาเฟสนะอยู่สภาพนี้แหละเรื่องเสื้อผ้านี่นะไม่ต้องยุ่ง เอาล็อจัดให้เรียบร้อยแล้วดูสิปุตเตอรถูกไรนะถูกตัดถูกตัดไ ว, แว้แล้วแล้วหุมสำหรับพวกเขาเสียบุญอาภรณ์หรือเสื้อผ้าทำมาจากอะไรครับมินนจากไยเห็นยังครับปฏิเสธเอาล็อไปสิ อัลลอ์ตัดเสื้อผ้าร้อนไว้แล้วแล้วอัลลอ์ไม่รู้ขนาดเลยแต่ละคนแต่ละคนรู้ดีหมดจะนั้นอัลลอฮ์ตัดพอดีเลยไปน้องนี่ไอ้คว่าตัดเสื้อผ้าให้อัลลอ์มันทรมานน่ะอัลลอ์คนที่ไม่เอาอัลลอ์คนที่หันหลังให้อัลลอฮ์ทะเลาะกันบนโลกดุนยาจะยังไม่พอนะอัลละ์ว่าเอ็งทะเลาะไปเถอะเถียงกันไปเถอะ แต่ฉันจะตัดเสื้อผ้ารองไว้สำหรับคุณแล้วเสื้อผ้านี่มาจากไหนครับ made from heaven ทำมาจากนรกนะครับกุตเตอร์ละหุมเสียบุมมินาตลัลโลอ๋ลลลอใช่ไหเฮลเฮล m a d ูดผิดผูดผิดคนรู้ภาษาเกนงยี่ เม็ e ฟาร์มเฮลอวบาจากนรกอัลลอฮให้ฉันไปไปน้องนี่อัลลอฮเล่าให้ฟังนะไม่ต้องไปเตรียมแล้วฉันเตรียมไปเรียบร้อยหมดแล้วพอตายพับเจอปั๊บเลยนะกุฏิอัลหุมเซียบุมมิ น, นาแล้วก็เตรียมอะไรอีกครับเตรียมสองรายการอยู่ซอบบุมฟาติรูสีมุลฮามี ในวันพระโลกน้ำเดือดอัลลอฮุอะลลอฮบน้องน้ำเดือดเดือดนะซึ่งเราเราต้มเอาไว้น้ำชาใช่ไหมละ่ะแต่ที่ไหนใช่น้ำเดือดเ ด, ดนั่นเป็นยังไงครับอยู่ซอบบูแปลว่าถูกถูกเทราถูกเทราจากไหนครับมิมฟ้าโกกจากบนรูสิษะอลัลลอฮามิมน้ำเดือด ต้มน้ำเดือดๆ อ, อไว้แล้วรอเวลาจนลงมมีสองรายการมีอาพรเสื้อตัดมาจากไฟกับน้ำเดือดๆต้มรอเอาไว้แล้วเอาไว้ราดหหรือเทจากไหนนะจากศรีรษะใส่ตัวของเขาเอารอไปน้องครับเทจากหัวนี่อธิบายให้ฟังมาต้องใช้ปัญญาเลย เทจากศีรษะลงมามังกราดไปทั i, ้งตัวทั้งหมดแล้วเป็นยังไงพี่น้องพอถูกราดแล้วก็ดูอาย่าที่ต่อไปครับ20ยุสฮารุบิฮิมาฟีบุตูนิฮิมวัลจุลูดอัลลอฮุอะลัยฮิวยุสฮารุบิฮิมาฟีบุตูนิฮิมวัลจุลูดน้ำเดือดนะพี่น้อง พอน้ำเดือดเวลาถูกราชจากศสารลงไปนะไขมันฟีบูตูนิฮิมที่อยู่ในท้องของเขาเพราะฉะนักินเยอะวันพอกินเบียกกินเหล้ากินของฮามทุกชนิดแม้แต่เลือดปูมึงก็กินกินทุกรายการเลยน่ะเห็นไหมเราก็กินท้งหมดตั้งหลายพันน่ะไม่ใช่กินทางป่าอย่างเดียวกินทางตาด้วยดูผู้หญิงเต้นกินทางหูฟังเพลงกินทางมือไป จับเข้าไปกอดเขากินอาหารมือเดียวลงทุนเท่าไรเป็นหมื่นๆแล้วกินทางหลายทางแมุ้งเม็นกินทางเดียวกินทางปากใช่ไหมทีนี้เวลาถูกเวลากินเราไขมันมันออกในท้องไขมันมันเยอะที่มาพอถูกน้าร้อนลวกเป็นไงครับไขมันที่อยู่ในท้องของเขาวัลยูรูดและหนังของพวกเขายูสฮารูบี มันจะถูกละลายลวกแล้วก็ละลายอันโอซิเดเลอร์ไปน้อนี่เอลเ่องเล่าให้ฟังเพื่อไม่ต้องไปใช้ปัญญาอ่านแล้วเข้าใจง่ายนะ่าดูเข้าใจไหมง่ายน้ำร้อนดืนเดือนเนี่ยราด จ, จากศรีรษะลงมาทั่วทั้งตัวหนังละลายแล้วก็ไขมันที่อยู่ในท้องทำไมต้องเจาะจงไขมันเพราะมึงกินเยอะของพุ้ยเลยไปน้องกินสารพัด บิสมิลลาห์ก็ม่ได้อานอัลลอฮ์อิมแล้วอัลฮัมดุลิลลาห์ก็ม่ได้พูดอัลลอฮ์ดื่มน้ำอัลลอฮ์บิสมิลลาห์ก็ไม่อานนะแล้วไม่เคยดื่มตามนบีเพราะนบีดื่มน้ำทีละอึกหรือสองอึกแล้วหายใจค้างดึกนี่ไม่มีแล้วกันไปนอกปิดปดปิดปิแล้วแถมมือซ้ายด้วยนะไอเราจะกินน้ำโดนนึกแล้วดึกอีกใช่ไม่ใช่มือซ้ายหรือมือขวานบีสอนให้ดื่มยังไงอัลลอฮ์อักบัส เราเนี่ยจะทำอะไรแต่ละอย่างนึกถึงสุนนานาบบมีอยู่คนจะเข้าห้องน้ำยืนหนึ่งนาทีนี่ยจะทำไมยืนยานนึกดูอาไม่ออกอ่านดูอาไม่ออกเออดูอ้าสอนว่ายังไงไอชีก็จะชี้จะเข้าก็จะเข้าคถามวันนีาไม่เข้าแล้วดูอาว่าไงอ่ะอัลลอฮฺบบะอินนีอัลฮซูบิกามินัลคุบูซวาร์คบัยอัลลอฮฺผิดหวงพวกเราชั้นหนึ่งจริงๆนะ คนอังซู น, น่านี่อร่อยน่าไปน้องยอมยืนบิดไปกับบิดมาเนี่ยนึกทุ่อ้าไม่ออกไอจะถามคนก็เสียฟอร์ ม, อมเอาต่อมาครับเอาล็อตเตรียมหนึ่งอาหารไอเตรียมเตรียมเสื้อผ้าเอ๊ะจะไปพูดถึงเสื้อผ้าก่อนเน่ยน่าคิดนะทําไมพูดเรื่องเสื้อผ้าก่อนแล้วตามด้วยน้าร้อนลวกต่อมาครับข้อที่ยี่ วะลาหุมมา قامع من حديد วะลาหุมมา قامع من حديد และการลงโทษต่อไปสำหรับพวกเขามาก็เมียแปลว่าขอเหล็กขอมาก็เมียแปลว่าขอขออย่างนี้ใช่ไหมมิหะดีทามาจากเหล็ก <Allah. S 2> เอาขอเหล็ก ผูกที่คอหรือผูกที่เอวเราก็ไม่รู้นะวันล่อเอาอะแลมจะอ่านไม่อยากจะอ่านนะอ่านคือการทรมานใจนันะตะขอได้แล้วตะขอตะขอเหล็กอืมอ่านไปทําอะไรเลยพี่น้องราไม่รู้จะไปทําอะไรนะถ้าเกี่ยวคออ่ะรอก็กระตรงเตงใช่ไหมน่ะก็ญาติที่ผ่านมาน่ะอ่ะเราไปผูกคอตายอ่ะไปเครียดอิสลามเจริญสุนัขนบีถูกเผยแพร่โหเครียดมากเลย คนรับอิสลามเพิ่มขึ้นผูกคอตายไปสินี่พอผูกคอตายแล้วพอเอาเอาเอาตะขอเกี่ยวเกี่ยวอีกเอาต่อมาครับยี่สิบสองกุลลามะอารดูไอยัครูจูมินฮามินรัมมินอูไอดูฟีฮาวะลูกูอัลดาบัล ก็ล um ่มาอาราดุเออยัู่จูมินฮามินกามินอวยดูฟีฮาวัซุกูอาบัลฮารินอร์อาญีซเสียอดีทั้งกุลลมาครั้งใดคือทุกครั้งอาราดูพวกเขาปรารถนา ไอ้อยักรู้ยุที่จะออกให้พ้นมินหาจากเนี่ยจากเสื้อที่ถูกตัดเอาไว้แล้วเม็ฟอมเฮลแล้วก็จากอะไรนะจากน้ำเดือดที่ลวกเทตั้งแต่ศีรษะลงมาทำให้หนังและอะไรนะไขมันที่อยู่ในท้องเนี่ยละลายแล้วมีตะขอเกี่ยวอีกทำมาจากเหล็กทุกครั้งต้องการจะออกจากความ ความควา ม, ความวิกฤตเนี่ยสามสรายการเนี่ยหรือมินก็มินจากความระทมลอสามสี่รายการเนี่ยสร้างความระท ม, ม, ม, ม, ม, มใช่หรือไม่ใช่แค่เสือ้อเมรฟอร์มเมนจากนารกนี่ก็เสียใจยอยู่แล้วเจอนาร้อนลวกจากเทจะศีษะมาจนกทั่งไรมงงไรมันในท้องเนี่ยละลายอันนี้ก็เสียใจยระทมเดือดร้อนอีกไปนอนเราเจอขอเกี่ยวอีกโอ้ พอเอาพอนึกจะออกทีไรอูไอดูฟีฮถูกนำให้เขากลับประโยูน์ในสภาพเดิมอีกยิ่งเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นวันนี้ร้อยร้อยอะไร้รอยร้อหนึ่งพรุ่งนี้ 120. ร้อยยี่สิบมารืนอนี้ร้อยเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะบาปอัลลอฮฺอัต่อมาครับว่ารู้กูจะมีเสียงพู ด, ดว่าแต่ตัฟซีดบอกว่ามีเสียงพูดนะแต่กณอ่านเสียงไม่มี เสียงใครกับเสียงมาลยอีกะรัอัลลอฮ์สั่งมาเลย์กาว่าอย่างงี้รู้กูจงชิมอัลลอฮ์เจ็บก็เจ็บปวดก็ปวดทรมานก็ทรมานอายก็อายไปน้องยังมีเสียงคูอกีกชิมต่อไปรู้กูจงชิมอาดับลฮารีอัลลอฮ์การลงโทษที่ลุกไม่การลงโทษที่คุกไม่ต่อไปเถอะ นเอาจะบินเลยพี่น้องฉะนั้นอย่าขวางอัลลอ์เลยสามรายการพี่น้องรักษาให้ดีนะเรียนศาสนาของอัลลอ์สองเรียนเรื่องสุนนะนบีอัลลอฮ์พี่น้องแล้เรียนเรื่องกุณอ่านสามรายการนี้พี่น้องปกป้องท่านไม่ให้ถูกลงโทษที่เรากำลังเรียนอยู่ขณะนี้พี่นองอัลลอฮ์โดนขอเกี่ยวนี่กันหนักแลวหนักไม่หนักเลยลพี่น้อง S <S นจะบินแล้วมินดาลิกน้องอันนี้ก่อนจะจบพี่น้องวันนี้ต้องการจะเล่าเรื่องบาปใหญ่สิบรายการบาปใหญ่นะ่ะมีเยอะถึงมาร้อยสี่สิบเก้าจะเล่าแค่สิบนะบาปใหญ่เกี่ยวกับเรื่องเครื่องเครื่องเครื่องแต่งกายหนึ่งบ้านเอารูปภาพมาติดเต็มเลยพีย่น้อง รูปนุนรูปนี้อร่อยมีรูปด้วยเองรับเป็นยงปริญญาจากราม แ, แผนกธรรมศาสตร์จุฬาเ ต, ต็มเลยไปน้องแล้วรูปใครตะใครเต็ไมไ่หมดเลยถ้าไม่เอาออกมาลาอีกาไม่เข้าบ้านคนนี้ทำบาปหนักนะครับแล้วก็เป็นนักวาดรูปด้วยไปน้องไอเรียนนะเรียนได้แต่ย้ยำเอามาใช้เรียนเอมามาใช้เป็นอย่างอื่นดีกว่านะ่วาดรูป อะไรคุณตบบนต้นไม้ให้เด็กดาวเข้าใจอิมานเข้าใจอิสลามมีทางออกเยอะในายพื่น้องข้อที่สองแต่งตัวแล้วเหมือนเปลือยกายแต่งตัวแล้วเหมือนเปลือยกายเป็นบอกการบอกกับผู้หญิงอย่านุ่งกระโปรงรัดอย่านุ่งกางเกงรัดอย่านุ่งใส่เสื้อรัดแล้วออกมาเดินข้างนอกเนี่ยเหมือนกับตัวเองนันเปลือยกายเพราะนั้นอยู่ แต่งร่ารต่อหน้าสามีดีไหมดีมาก น, นะใส่น้ำหอมต่อหน้าสามีดีไหมดีจะอยู่ไปข้างนอกปั๊บต้องแต่งตัวคุมๆแล้วต้องปิดจะมีชิดนะ่เรื่องที่สามครับพี่น้องสัตตีที่ไม่แต่งตัวตามหลักการอิสลามเช่นถอนคิ้วโอ้หนักไงพี่น้องแล้วก็ดัดฟันให้ห่างแล้วมันสวยนี่เป็นบาปใหญ่ทั้งหมดข้อที่สีพี่น้องผู้หญิงออกจากบ้านแล้วก็ใส่เครื่องหอมคำพิ้งเครื่องหอมเนี่ยก็ให้ใส่ in front of her husband ให้ใส่ตอนหน้าสามีก่อนจะนอนเน่ยทานยิปติกแต่ก็ทานลลวนะใส่เสื้อบางๆนะนะแต่ไม่ทำไม่ทําอต่อมาข้อที่ห้าเออก็ว่าคราวต้องเอาไว้บ้างนะอย่าไปโกนออกเป็นบาพใหญ่นะผมอ่างกับทสะดุ้งเหมือนกันข้ารุนเลยียหข้อที่ห สวมผ้าไหมอ๋อนี่เป็บาปใหญ่นาะยพี่น้องเจด็ดนุ่งผ้านุ่งอะไรเนี่ยอย่าให้มันต่ํากว่าตะตุมพยายามฝึกขึ้นให้มันเลยแต่นะให้เลยตะตุ่มขึ้นมาข้างบนอย่าให้ต่ํากว่าตะตุมนะข้อที่แปดพี่น้องย้อมผมสีดําบาปนะย้อมมาได้ไมหมแต่ใช้ใช้สีอะไรแทนนะสีเฮนนาเหลืองๆๆๆๆแดงเหลืองแดงแดงนิ ด, ๆ น, ดๆนะนั่นนะสามารถนะ แจะมีคนชาติชาติผมดำเดินตามยาฮูดีกับฝรั่งนะข้อที่เก้าไปน้องผู้ชายจะใช้เครื่องประดับใส่ตะคองทองคํำไปน้องใส่ทองคํานะผิวหนังของผู้หญิงกับผิวหนังของผู้ชายไม่เหมือนกันของผู้หญิงกับทองคำนี่ชั้นหนึ่งเลยนะพอใส่จะทั้งสวยทั้งงามลงมาถึงหัวใจที่หัวใจอิ่มเอิบแต่ผู้ชายพอใส่ทองคําปั๊บเลยนะ ทำให้สเปิร์มเนี่ยพี่น้องอ่อนตัวเรืงเวลาไปร่วมหลับนอนกับภรรยาตัวเองท่านเด็กที่เกิดมาเป็นตุ๊ดเยอะต่อมาข้อที่สิบพี่น้องกินภาชนะชายภาชนะที่ทํามาจากเงินจากทองข้อที่สิบเอ็ดพี่น้องต้องฟังเพลงน้าเพลงนี่ขาดไม่ได้เป็นวาจิตเลยจะกินอาหารต้องมีสิ่งอลซองอ๋อต้อ ง, องซองสิ่งแอลงต้องพีเพลงพี่น้อง มีทาไมเลยไปน้องเจอตะขอเจออะไรกี่นะ่ะเจอนารอ้อนลวกไปน้องอัลลเอาหลักการอิสลามเอาของสุนานะนาบีปชัยในชีวิตประจำวันเอาแลวครับไปน้องหมดเวลาแล้วครับสุานะลลอฮมุมาวกลลิลอิละอันตะอัสตักรุวะอตุบุไลกสลามุมะะห์มตุลลอฮวะบรกต